กรรมวาจาให้เสคาสมมุติบสาท่านผู้เจริญขอสองจงฟังข้าพเจ้าตระกูลชื่อนี้จเจริญด้วยศรัทธาแต่ขาดแคลนทรัพย์ถ้าสงพร้อมกันแล้วก็เพึงให้เสคาสมมุติแก่ตระกูลชื่อนี้นี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสองจงฟังข้าพเจ้าตระกูลชื่อนี้จเจริญด้วยศรัทธาแต่ขาดแคลนทรัพย์สงให้เสคาสมมุติแก่ตระกูลชื่อนี้ท่านโรคใดเห็นด้วย กับการให้เสขาสมมุติแก่ตระกูลชช่นนี้ถ้ารูปนั้นพึงนิ่งถ้ารูปใดไม่เห็นด้วยถ้ารูปนั้นพึงทักท้วงเสขาสมมตุตดสงให้แก่ตระกูลนี้แล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือเอาความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสีขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้